เมื่อสุขของบุคคลคือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลกอีกอย่างหนึ่งที่โยงกับเมื่อกี้คือว่าเพราะมีความสุขอย่างสมบูรณ์โล่งไม่มีอะไรค้างคาระคายเลยนี่แหละพระอรหันต์จึงสัมผัสเข้าถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขได้ทันทีเช่นถึงการ ก, กับธรรมชาติไม่มีอะไรในใจของตัวที่จะมากีดมกันมาขวางมากัน้น เหมือนอย่างพระอาหารหันต์ขึ้นบนภูเขาเข้าไปในป่าก็เกิดความสุขฉับพลันพอมาสัมผัสธรรมชาติท่านก็มีความสุขทันทีไม่เหมือนคนที่ยังมีทุกมีเชื้อทุกอยู่เข้าไปในที่ที่น่าจะมีความสุขแต่เจ้าตัวความกังวลความห่วงความไม่สบายใจความคิดถึงการแข่งขันเรื่องการค้าขายเรื่องการเมืองและอื่นๆอะไรต่างๆสารพัด ก็ตามไปรองความใจทำให้สัมผัสไม่ถึงความสุขหรือแม้สุขก็สุขไม่ได้เต็มที่สำหรับพระอาหารหันต์นั้นสภาพแวดล้อมทั่วไปมีแต่สิ่งที่มาเสริมความสุขให้จนกระทั่งถึงว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่เอือ้อก็เป็นที่รื่นรมได้หมดและไม่เฉพาะตัวท่านเองที่มีความสุขพร้อมอยู่เสมอแล้วเท่านั้นผู้คนอื่นมาอยู่ใกล้ท่าน สภาพที่เคยวุ่นวายก็กลายเป็นที่สบายใจไปด้วยดังที่มีคำตรัสเป็นคาถาธรรมบทว่าคาเมวายะิวารเยนินเนวายะิวาทะเลยัตถะอรหันโตวิหรันติตามภูมิรามณัยกังแปลว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซ เป็นภูมิสถานอันรื่นรมพระอระหันต์จะไปอยู่ที่ไหนท่านเองก็ร่าเริงใจได้หมดแล้วก็พาคนอื่นให้รื่นรมไปด้วยท่านสามารถมองสิ่งปฏิกูลของหน่ารังเกียจให้ดูดีน่าสบายใจก็ได้เพราะมีอํานาจบังคับสัญญาตามต้องการเป็นภาวิตินสีนี่ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการมีความสุข ที่ว่าเป็นไปเองตามการพัฒนาของมนุษย์การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าถูกทางแล้วความสุขก็จะเลื่อนขั้นพัฒนาไปอย่างนี้เมื่อความสุขสมบูรณ์ธรรมะอื่นก็สมบูรณ์ด้วยเป็นไปตามเองตามกระบวนการธรรมชาติอย่างเรื่องแม่ไก่ฟักไข่จึงแน่นอนไม่มีอะไรจะต้องสงสัย จึงได้บอกไว้จะพูดว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้จะพูดว่ากระบวนการกำจัดทุกข์ก็ได้จะพูดว่าอะไรเมื่อเข้าแนวธรรมะลงกับธรรมดาของธรรมชาติก็พูดได้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นแง่ความหมายที่มายองถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไม่จบ ขอบอกเพิ่มว่าความสุขที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นปรากฏเป็นคุณสมบัติที่มีความหมายแผ่ขยายออกไปอีกควรต้องกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรขยายความหน่อยหนึ่งว่าพอคนพัฒนาตนสมบูรณ์มีความสุขที่สมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าคุณสมบัติต่างๆก็มาถึงจุดสมบูรณ์ทั้งหมดโดยมาบรรจบที่ปัญญาอันสมบูรณ์เป็นโพธิ รู้เข้าใจทั่วถึงเท่าทันสิ่งทั้งหลายทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระล้ะวางใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องลงตัวพอดีทั้งหมดถึงจุดนี้บุคคลนั้นก็เป็นกะตะกรณีคือเป็นผู้ทำสิ่งที่ต้องทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อให้ตัวเป็นอย่างนี้อีกอะไรที่จะทำเพื่อให้ตัวเป็นสุขก็ไม่ต้องทำแล้ว แม้แต่จะฝึกตนเพื่อให้พัฒนาในชีวิตในการศึกษาอะไรก็ไม่ต้องทำแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าพระอรหันต์มีลักษณะ ส, สำคัญคือเป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วศึกษาพัฒนาจบแล้วเป็นอเศะัะเป็นภาวิต เมื่อตัวเองสมบูรณ์จนหมดตนไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตนเองอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเพื่อให้มีความสุขไม่ว่าจะเพื่อพัฒนาตนไม่ว่าเพื่ออะไรแล้วราวนี้จะทำอะไรต่อไปชีวิตก็ยังอยู่แถมชีวิตที่ยังมีนั้นก็เป็นชีวิตที่ได้พัฒนาแล้วอย่างดีเต็มที่ทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเปลี่ยนด้วยประสบการณ์เยี่ยมยอด ทีนี้ก็นําเรี่ยวแรงพลังงานเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาทำการเพื่อโลกคือเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกต่อไปตอนนี้ก็จึงมาบรรจบกันคนที่พัฒนาสูงสุดหมดกิเลสมีความสุขสมบูรณ์แล้วก็ใช้คำสั้นๆว่านิพพานก็คือบุคคลนั้นนิพพานพอบุคคลนิพพานทีนี้ก็ทาการเพื่อโลก จึงเป็นคติพุทธศาสนาพูดสันส้นๆว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกอันหนึ่งตรงนี้มองมาได้จากหลายแง่และแง่หนึ่งที่อยากจะให้มองในตอนนี้ก็คือการที่คุณสมบัติด้านปัญญาที่สมบูรณ์ส่งผลให้คุณสมบัติด้านจิตที่ปัจจุบันนิยมใช้คำว่าอารมณ์สมบูรณ์ด้วย ก็คือปัญญาทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระแล้วจิตที่เป็นอิสระของผู้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วตนเองมีความสุขสมบูรณ์แล้วพร้อมด้วยปัญญาที่มองเห็นหมู่มนุษย์ที่ยังมีทุกข์ก็พูงเอากรุณาที่แท้มาจึงมุ่งหน้าแต่จะไปแก้ไขทุกข์นำสุขมาให้แก่หมู่มนุษย์เหล่านั้นสืบต่อไปและนั่นก็คือชีวิตที่แท้ของพระอระหรันต์ มีแง่ที่พึงกล่าวแทรกว่าเป็นธรรมชาติของคนเมื่อมีทุกข์ก็จะระบายกระจายทุกข์ออกไปถ้าระบายออกได้ทางปากโดยจัดทางระบายฮิปโปอดภัยก็จะผ่อนคลายมีทางแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ถ้าไม่จัดช่องระบายทางปากให้ดีก็อาจใช้กําลังร่างกายเป็นต้นแผ่ขยายทุกข์ออกไปในหมู่มนุษย์ ให้เป็นปัญหาที่พาให้เดือดร้อนกันไปทุกที่ในทางตรงข้ามคนที่มีความสุขก็มีพลังที่จะแผ่รังสีแห่งความสุขให้กระจายแพร่ออกไปยิ่งเป็นผู้ที่มีความสุขเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วเมื่อตนได้หลุดพ้นเป็นอิสระก็อยากจะไปช่วยคนอื่นที่ยังผูกมัดให้หลุดพ้นเป็นอิสระด้วย ดังนั้นพระอระหันต์จึงเปรียบเหมือนคนที่หลุดพ้นออกไปจากเรื่องผูกมัดเป็นอิสระเสรีแล้วเมื่อหายเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้วปัญญาที่มองกว้างออกไปได้เห็นผู้คนทั้งหลายถูกมัดอยู่ก็ทำให้เกิดพลังแห่งการุณาที่ปรารถนาจะช่วยคนเหล่านั้นให้หลุดออกมาด้วยดังนั้นเมื่อตอนเองไม่มีอะไรต้องวุ่นผวงอีกแล้ว ก็เที่ยวแก้มัดคนอื่นไปทั่วเป็นอันว่าเมื่อบุคคลนิพพานและความสุขก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องทำให้แกตัวเองอีกแล้วก็ทำการเพื่อโลกต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอรหันต์ทั้งหลายในกราส่งพระสาวกชุดแรก60องค์ไปประกาศพระพุทธศาสนาว่าทั้งพระองค์เอง และภาษาพวกเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันได้หลุดพลล้นลาจากบ่วงผูกรัดทั้งปวงทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์เป็นอิสระเสรีแล้วเพราะฉะนั้นเจ้รัฐาพิกเวพูหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เหล่าพื่หูชนเพื่อเกื้อกาวหนแก่ชาวโลก นี่คือกติพระอาหารหันตัวเองหมดกิดที่ต้องทำเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ก็ทำเพื่อโลกอย่างเดียวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันตสาวกดังที่กล่าวมารวมความว่าตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติธรรมก็มีสองด้านคู่กันไปทั้งการทำเพื่อขัดเกลาตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่น บางวิธีที่กว้างออกไปก็ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นมากขึ้นโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ทีนี้การปฏิบัติก้าวหน้าไปให้ตนเองได้พัฒนามากขึ้นก็มีความหมายรวมไปถึงการทําเพื่อผู้อื่นด้วยโดยที่การทําเพื่อผู้อื่นนั้นก็เป็นวิธีการที่รวมอยู่ในการพัฒนาตนนั่นเองการปฏิบัติธรรมทั้งหมดตลอดกระบวนการ ตั้งการทำกิจในการฝึกตัวเองก็ตามในการทำเพื่อผู้อื่นก็ตามแม้ถึงเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือการพัฒนาตัวเองเพราะยังมีตัวเองที่ต้องฝึกต้องพัฒนาอยู่ตอนแรกไม่ว่าทำที่ตนหรือทำแก่คนอื่นก็คือกิจเพื่อตนเป็นกิจคู่กันไปในการพัฒนาตนแต่พอพัฒนาตนจบแล้ว เรียกว่าจบกิจในพระศาสนาที่นี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวจึงมาถึงคติที่ว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกดังเด็กล่าวแล้วถึงตอนนี้ความสุขสูงสุดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของบุคคลก็แผ่ขยายออกไปเป็นความสุขของมวลชนทั้งโลกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าอุตตพจนสาคัญว่าด้วยความสุข ที่เป็นจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตกับพุทธพจน์สำคัญว่าด้วยความสุขที่เป็นจุดหมายอันยิ่งใหญ่ของการบำเพ็ญพุทธกิจมาประสานบรรจบและส่งต่อผลแก่กันคือพุทธพจน์ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขมาบรรจบรับกันกับพุทธพจน์ว่าหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะ เพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อกาวรุนแก่ชาวโลกพูดสั้นๆว่าสภาวะสูงสุดแห่งบรมสุขอำนวยผลกว้างใหญ่เป็นพหูชนะสุขซึ่งถือความโดยนัยยะว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกดังได้กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นระบบการพัฒนาความสุข และเป็นศาสนาแห่งความสุขตามในยะที่ได้กล่าวมาเช่นนี้แหละ